พวกสมุทได้ปฏิเสธด้วยการละเมิดขอบเขตเมื่อคนเลวสามที่สุดของพวกเขาได้รีบรุษไปฆ่าอูดตัวเมียแล้วรสนของอลัลลอฮ์จึงกล่าวใจพวกเขาว่าอย่าทำร้ายอูดของ อ, อัลลอฮ์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 และพระองค์มิทรงหวาดหวั่นต่อบ้านกลายของพวกมัน